บุ๊กทูสี่สิสามที่สวนสัตว์สวนสัตว์อยู่ที่นั่นยีราฟอยู่ตรงนั้น Tam jsou žirafy. m í je u těch. Kde jsou medvědi? č h á n je u těch. Kde jsou sloni? ř í je u těch. Kde jsou h a d í Síng to je u těch. Kde jsou l v y ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปมัมโฟจักดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยม er ัมเอ็กแคมิรดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนกรเดย์แบตเตอรี่นกเพนกวินอยู่ที่ไหนกรเดสอุตุชีวะซีจิงโจ้อยู่ที่ไหน เดซูคลักกัน e ์ย์แรดอยู่ที่ไหนเดซูนอสอโรห้องน้ำอยู่ที่ไหนเดซตอาเลตมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นตามีกาแฟนะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นาร้านอาหาร อยู่ที่ไหนกระสูว์เ l ลเบลดีกอริลาและม้าลายอยู่ที่ไหนกระสู o ์กอเเสือและจระเข้อยู่ที่ไหนกระ